เป็นมิสัยของพระศาสดาพพุทธเจ้าท่านกำหนดรู้ได้จะตูปปาปัตยานยามท่ากลางแห่งราตรีที่โพลจะตัดสรุธรรมจะตูปปาปัตยานสัตว์ทั้งหลายเป็นด้วยอํานาจของกรรมในการจุติในการเกิดมีญานอย่างทราบนย่าทราบโอสัตว์ทั้งหลายเกิดด้วยอํานาจของกรรม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 ตอกกันก็มันจังเลยแหละตัวนี้เพราะฉะนั้นผูบายยานท่านจึงให้ตั้งความอยากที่เกิดขึ้นภายในจนะิตนี่ยท่านให้ตัง้งจิตเป็นตัวข้าศึกเป็นตัวศัตรูฝ่ายตรงข้ามกับจิตก็คือสติก็คือปัญญาคือเอาจิตนั่นแหละมาเปลี่ยนเป็นสติมาเปลี่ยนเป็นปัญญามาเปลี่ยนเป็นสติ มาเปลี่ยนเป็นสัมปชัญญะมาเปลี่ยนเป็นสมาธิมาเปลี่ยนเป็นปัญญามาเปลี่ยนเป็นอิริมาเปลี่ยนเป็นโอตปะมาเปลี่ยนเป็นขันติมาเปลี่ยนเป็นโสรจัตมาเปลี่ยนเป็นศรัทธามาเปลี่ยนเป็นวิริยะมาเปลี่ยนเป็นสติมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสมาธิมาเปลี่ยนเป็นปัญญามี่เป็นคุณธรรมที่จะพิ่เจริญและเกิดขึ้นมีขึ้นภาในจิต ศรัทธาสินเดชจาคุูสัจจะฮิริโอตปะภุสัจจะสัมพัญญาปัญญาเป็นคุณธรรมทั้งนั้นคุณธรรมต่า ง, างๆเหล่านี้เนี่ยเราดึงแยกออกมาจากจิตจิตที่ประเสรจฐยิริ จิต ท, ที่ปราศจากสติจิต ท, ที่ปราศจากสัมผัสัญญานั่นแหละรเราดึงให้ชัดเจนลงมาตั้งเจตณนาลงมาให้เป็นศรัทธาให้มีศรัทธาให้มีศีลให้มีจารัให้มีปัญญาให้มีวิริยะให้มีขันติให้มีสัจจะรมไปถึงเมตตาปุเบขาการุณาสิ่งต่างๆเลนี้เป็น เป็นผลของจิตที่แสดงออกมาในในทางในทางบวกในทางฝ่ายกุศลท่านเรียกว่ากุศลวิบากกุศลวิบากกุศลวิบากจิตเราเจริญให้มีบ่อยครั้งเข้าทําให้มีให้เกิดเป็นบ่อยครั้งเข้าสิ่งเหล่านี้ก็สะสมตัวเองนะกลายเป็นคนมีจริต ชอบกำหนดจดจ่อชอบมีสติชอบพิจารณาไข้ครัวให้เกิดปัญญาชอบกดชอบทนชอบศรัทธาชอบกดชอบทนชอบปัญญาชอบอุตสาหะชอบไข้ครวนชอบค้นคว้าสร้างขึ้นมาสร้างจนเป็นจริตสร้างจนเป็นนิสัยนี่คือเราแยกออกมาจากความอยากโดยอำนาจของกิเลสนั่นเอง ถ้าเราไม่เอาคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับมันเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของมันอย่างเดียวมันยังลูกตาท่นานว่ามันละเอียดอ่อนจนเราไม่รู้จักไม่เข้าใจไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นอะไรว่ามีว่ามีสิ่งที่มีอำนาจลึกลับคอยกดขี่ข่มเหงรางแกจิตใจของเราอยู่ข้าไหนเราทราบไม่ได้ ผู้ที่ท่าน้นเห็นโทษเห็นภยัยเห็นอะไรก็หลายแล้วท่านเห็นโทษเห็นภยัยยิ่งกว่าศัตรูตัวร้ายกาศที่สุดที่เป็นฝ่ายปฏิปักษ์ที่จะตึงต่อกรกันยิ่งกว่าศัตรูที่เป็นข่าศึกที่เป็นศัตรูเพราะฉะนั้นท่านเห็ว่าศัตรู ที่ร้ากาจที่สุดก็คือกิเลส ท, ที่อยู่ภายในยจิตนี่แหละการที่เราชนะค่าศึกคูณด้วยคูณด้วยพั น, นการที่เราชนะค่าศึกคูณด้วยพันเนสู้เราชนะใจเราคนเดียวใจเราดวงเดียวไม่ได้ชนะใจเราดวงเดียวก็คือชนะกิเลสภายในใจนั้นแหละ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 ให้พอให้ลงไปแล้วมันก็มีวิบากกรับให้ทานมันก็เป็นกุศลกลายเป็นกุศลแ้วิบากอยู่ที่จิตกาให้ทานเราจะให้วัตถุทานเราให้วัตถุหยาบหยาบมันก็ได้ผลตามผลของวัตถุนั่นแหละตามตามคุณภาพของจิตที่ตั้งใจให้ให้สิ่งทละเอียดว่านีต ให้สิ่งที่ประเสริฐให้สิ่งที่เลิศย่อมถึงฐานะที่ละเอียดที่เลิศที่ประเสริฐนี่ถ้าพูดถึงอา น, น, นิสงส์อานิสงส์ของการให้ให้ไปแล้วมีผลมีอานิสงส์นั่นคือวตัตถุจากนั้นแล้วท่านพูดถึงการให้ทําเป็นฐานให้ทําเป็นฐานก็นนคือให้ความรู้ให้ความเข้าใจ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 ถ้าเราปราศจากสติทำปัญญาธรรมแล้วโอกาสที่เราเราจะหันมาส่องดูตัวเองส่องดูกิริยากายของตัวเองกิริยาวิจารของตัวเองกิริยาจิตของตัวเองเน่ยด้วยความลุ่มหลงโอกาสที่จะทําให้เราหันย้อนมาเนี่ยมันก็ไม่หันมาละมีแต่เกียร์มันบอกไปยังไงก็พุ่งไปตามมันเลยมันบอกอันสวยนะพุ่งไปตามมันอันนั้นน่าชอบใจนะพุ่งไปตามมันเรื่องนั้นแปลงนะพุ่งไปตามมันหละ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 ต้องโทษเสรแล้วเนี่ยลงมือทํานิดหน่อยานั้นแหละมันให้ผลเป็นเดือนเป็นปีเป็นภบเป็นชาติมาลูกกี่กี่ครั้งก็กี่ครั้งกว่าจะให้ผลหมดยิ่งถึงขั้นฆ่ากันตายด้วยแล้วเนี่ก็โอ้เป็นบาปเป็นกรรมฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์เช่นอย่างพระโมคคัลลานะเนี้ยแม้แต่ชาติสุดท้ายเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเป็นผู้เลิศทางฤทธิ์ด้วย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 พระโมคคัลลานะถูกโจรมาทุบมาตีพโจรมาครั้งแรกท่านก็ทราบเพราะท่านเป็นผู้มีฤทธนิะ์ท่านก็ห่อกท้าหน้าต่างโจรก็มาทําอะไรไม่ได้มาครั้งที่สองท่านก็ห่อออกท้าหน้าต่างโจรก็ทําทอะไรไม่ได้พอมาครั้งที่สามเนี่ยท่านระลึกถึงกรรมโอ้กรรมของเราพอมาพิจารณาถึงกรรมแล้วก็เออกรรมมันจัดสรรซะ ให้มันเสียดเสียดกันซ ะ, ะระลึกย้อนถึงกรรมที่เจอของเคยเคยมีมาเคยทำมาไปให้มันมันตามเอาผลกรรมของมันไปซ ะ, ะพระองค์ก็ท่านก็ไม่ไม่ห่อแหละก็อยู่ในนั้นแ่ะโจนเข้าไปทุบไปตีจนคิด่าตายแลย้วแหละคิดว่ามารณภาพน่เอาท่านไปโยนไว้ที่พู่มไม้แต่ท่านไปยังไม่มิพ่านเพี่สีเดียว ตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมากขาเยียวยาด้วยฌานสมาบัติก็เลยมากราบลาพระพุทธเจ้ามาทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะเข้าสู่นิพพานสาเหตุก็คือพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านมีฤทธิ์ท่านสามารถลงไปนรกไปเอาข่าวนรกญาติของคนนั้นตกนรกอยู่อย่างนั้นๆๆๆอย่างนั้นอย่างนั้นเขาสั่งมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคอบอกเขาขึ้นไปบนสวรรค์เขไปเห็นญาติ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 ความเป็นสมนธรรมแล้วก็ได้อัดได้ทำทําให้พวกนดรัจฉีเนี่ยเสื่อมลาบคือนักบวชนอกาศาสนาเนี่ยเสื่อมลาบพอเสื่อมลาบเขาก็มามาพยายามจะแก้ไขเหตุการณ์อะไรทีนี้มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะพระโมคคัลลา น, นี่แหละไปเอาข้อลี้ลับจากนรกมาบอกชาวบ้านให้ชาวบ้านเรื่อมใ ส, สัตนาไปเอาข่าวบนสวรรค์มาบอกชาวบ้านชาวบ้านเรื่อมใ ส, สัตนา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 ถ้าใครเคยอ่านหนังสือทอเลียงพิบุญเรื่องลุง ล, า น, า, น ล, า, นลงานจานไบลานอ่ะลุงตาลจานไบลานทอเรียงี่บุญเขาเขียนเราเราเราเคยเราเคยอ่านดูลุงตาลจานไบลานคือลุงตาลเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนลุ ง, ลงตาลอยู่ในวยธรรมหากินมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนทํางานทําการรวมกัน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 ให้เรือเนี่ยโครงเพลงโครงเพลงพอดีพอดีก็เพื่อนคนนั้นก็เมาด้วยนะเพื่อนคนนั้นก็เมาด้วยก็ทําเป็นเซไปเซมาเซมาเซไปก็ไปทําเป็นไปชนคนนั้นอ่ะทำเป็นไปชนเพื่อนทําให้เพื่อนกระเด็นตกลงในน้ํานี่ยแต่ล้าคนเมามันจะช่วยตัวเองได้ยงไงช่วยตัวเองไม่ได้เลยตายจมน้ําตายเพื่อนจมน้ําตายเพอเพื่อนจมน้ําตายไป ลุงลานเขาก็อยู่อพอดีลุงลานได้ลูกมาพอดีได้ลูกมานี่ยลูกนี้หน้าตาน่าเกลียดหน้าชังมากเลยนะลูกเนี่ยเป็นลูกผู้ชายหน้าตาน่าเกลียดหน้าชังมากอ๋อทีนี้เวลาเขาอยู่บ้านอนะ่ะสองคนกับลูกเนะ่ยเวลาเขาอยู่บ้านเนะี่ยเขาดูไปที่ลูกเนี่ยเหมือนกับรูปเนี่มันเย่อเย้ยมันเกิดมาเพื่อที่จะมาแก้แค้นนะ ว่าลูกคนนั้นอ่ะคือเพื่อนน่ยมาเกิดว่างั้นเถะเพื่อนเพื่อนคนนั้นอ่ะมาเกิดเป็นลูกของลุงตานะ่ยมาเกิดเป็นลูกของลุงตาแนตะ่ลูกคนนี้ก็ใบช่วยหน่ยนะใบใบเป็นคนไม่ค่อยจะสมประกอบอะไรนะเป็นคนใบพูดไม่เปลี่นพูดไม่อะไรหน้าตาก็น่าเกลียด น, น่าชังมากเหางั้นเถอทีนี้เวลาเขาอยู่โดยลําพังกับลูกเขาเนี่ย เขามองดูลูกเขาเนี่ยเหมือนกับลูกเกิดความรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยมันเกิดเป็นลูกเขาอดูหน้าดูตาที่ไรก็เหม่อเหมือนกับเหมือนเขาลูกมันเยอะเย้ยเยอะเย้ยงั้นเยาะเยอยนี้จะแก้แค้นงั้นจะแก้แค้นอย่างงี้เนี่ย้ามีมีวันหนึ่งกดอดทนทนไม่ได้แล้วไปบีบคอลูกพอไปบีบคอลูกเมียเห็นอะไรนี่เมียเห็นก็เลยแก้ตัวโอ้ยเห็นมันไม่พูดมันใบมันอะไรกัน บีไปให้มันพูดอนะ่ะแก้ตัวไปเกลื่อแล้วไปลูกคนนั้นก็ยังไม่เป็นไรลูกก็ยังไม่เป็นไรทีนี้พออยู่มายังเด็กๆอยู่นั้นเนี่ยกําลังจะหัดคลานหัดเดินเปรี้ยปะนี่แหละ ย, ยังไม่โตนะอะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งไม่รู้วันนั้นนะเป็นวันที่อะไรชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปสนุกสนานงานอะไรก็ไม่รู้นะ นี่ก็นอนนอ น, อ น, อ น, น, อนพ อ, อนอนนอนพอนอนหลับตื่นขึ้นมามันเคลิมเคลิ้มเหมือนเหมือนก็มีอะไรมาสะกดอ่ะลุกขึ้นไม่ได้อะไรไม่ได้ป ร, กรากฏว่าปรากฏว่าลูกคนนั้นอ่ะมาถือตะเกียงมาถือตะเกียงมาเลยจุดมุงอ่ะจุดมุนะด้่ะนูตาก็เหมือ น, นอถูกอะไรสะกดนะวิ่งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ถูกไฟคราะ อ, อย่างนั้นล่ะถูกไฟครอกอยู่ในนั้นะ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 เอาลุงตาไปทิ้งไว้ที่สลาวัดนะแล้วก็ลูกลูกชายคนนั้นอนะ่ะปรากฏว่าไม่กี่วันนะลูกชายคนนั้นก็ป่วยแล้วก็ตายอยงนั้นนะอ่นี่เขาว่าเพื่อนที่เคยเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนกันเนะีมาเกิดเพื่อมาแก้แค้นกันนะมาเกิดเพื่อมาแก้แค้นกันที่ลุงตาแกก็กลายเป็นคนไม่มีญายิอยู่ที่วัดแต่แกมีความรู้แก่แกจาย์ใบลานจานตัวนังสุงนี่ดี แกเ ล, ลายเป็นคนวัดอยู่กับวัดอยู่กับพระอยู่กับอะไรช่วยจานหนังสือดูอะไรช่วยอะไรอะไรไปแต่ว่ารูปร่างอะไรไม่สมประกอบรอไม่สมประกอบหน้าตาหน้าเบียวหน้าชันเพราะเพราะมันถูกไฟคข้าที่นี่ดูมันจะ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 จเจริญรุ่งเรืองก็ไม่ให้เราลึมกรรมให้ระลึกถึงกรรมของตัวเองเราจะทุกข์ยากลําบากกันดารยังไงก็าตามท่านก็ไม่ให้เราลืมระลึกถึงกรรมของตัวเองอะเระลึกถึงกรรมของตัวเองนอกจากเราลึกถึงถึงกรรมดีของตัวเองกรรมชั่วของตัวเองแล้วเห็นคนอื่นท่านให้ระลึกระลึกถึงกรรมอีกัน เขาอยู่ดีมีสุขก็ให้ระลึกถึงกรรมของเขาเพรกรรมเขาดีทําให้เขาเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขเขาทุกอย่างลําบากด้วยบดอยากลําบากยากแค้นด้วยเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยประสบเคราะห์กรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เราเลลึกถึงกรรมเพรเขาได้กรรมไม่ดีเราลึกถึงกรรมท่านจึงไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมที่จะระลึกถึงกรรม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 โอ้ใช่อันนี้เราอยอมรับเราทําอย่างนี้จริงเรามาประสบทุกทุกยากลาบาอย่างนี้ทําความทุกความยากเราทํากรรมอย่างนั้นจริงเมื่อเราอยอมรับกรรมเท่ากับว่ากรรมนั้นก็จะเริ่มอโหสิกรรมให้กับเราแหละเมื่อเราอยอมรับกรรมก็แสดงว่าเราอยอมรับความจริงเมื่อเรายอมรับความจริงแสดงว่าเราเริ่มเข็ดเราเริ่มหลาบแหละโอกาสที่เราจะไปทําชั่วช้าหลามกแบบนั้นเพื่อจะเป็นเห็นให้เราได้แล้วได้อีก เราก็จะไม่ทำนั่นแหละมันอย่างที่เคยเล่าให้ฟังพ ร, ระเตมีสมัยพุทธเจ้าเกิดเป็นเตมีใบยย ท, ท, ท, ทั้งๆที่พระองค์เป็นรัรชทายาทเพื่อที่จะเป็นพระเจ้าเป็นดินต่อจากพ่อเป็นมกุฎราชกุมารว่างั้นกันเตมีใบในชาติถกพยายาดูในชาติพอพอมาเกิดแล้วก็ระลึกได้้ะลึกถึงชาติคนหลังได้โอ้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 บางทีก็ถูกก็ว่าผิดบางทีก็ผิดก็ว่าถูกบางทีก็มีอคติอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างต้องตัดสินต้องประหัตประหารต้องต่อสู้ต้องฆ่าคนต้องอะไรต่ออะไรสารพัดมาระลึกถึงก็เลยเลยแกล้งทําเป็นง่อยทาเป็นเปรี้ยวทําเป็นง่อยทําเป็นเปรี้ยวมาจนจนจนร่างกายใหญ่ใหญ่อหละจนเป็นหนุ่ม อพอมาระลึลกได้ก็ เ, เลยทําเป็นหน่อยทําเป็นปอ่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็ผิดหวังกันแหละ ว, ว่ามีลูกชายคนเดียวกว่าย่าสืบสันติวงศ์อ่ะแต่แล้วลูกมาเป็นอย่างนี้ซะในที่สุดแบบยก่อนทํนายอย่างนั้นทำนายอย่างนี้นนยยนลูกกาลกินีอย่างนั้นลูกกาลกินีอย่างนี้แต่ก่อนที่จะเอาลูกไปทิ้งนี่ก็หาวิธีทรมานถให้ลูกเนี่ยว่าลูกนี่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 พระเตมีเน่ยก็อยู่บนนั้นแหละทีก็ลงไปขุดหลุมน่ะขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดเพื่อจะฝังฝังกุมารเนี่ยแหละพอหลังจากขุดทีนี้พระเตมีก็ได้ช่องแหะตอนนี้เพราะว่าได้ออกจากบ้านจากเมืองออกจากพระนครพไปแล้วก็อยู่ในป่าได้ช่องได้โอกาสแล้วตอนนี้ก็เลยแสดงฤทธิเดชเหยียดซ้ายเหยียดขวาแสดงพลังขึ้นมาเสร็จแล้วก็เดินไปยืน เดินไปยืนดูสารถีที่กําลังทำหลุมยุนถามว่าท่านขุดอะไรขุดทําไมทั้งนั้นทั้งขุดไม่ได้เงยมาดูเลยไม่ได้เงยมาดูอ่ะทั้งขุดทั้งตอบคนนี้แหละจะฟังพระคุมาเนี่แหละจะฟังคนใบ้เนี่แหละว่างั้นแต่ก็จะฟังคนใ บ, นงงนนใบน้พอเงยขึ้นมาพอเงยขึน้นมาเห็นว่าเป็นพระคุ ม, มาเนี่แหละมายืนมายืนพูดด้วยอะไรด้วยก็เลยเป็นเรื่องแปลก แปลกใจมากก็เลยมาสืงมาสอบมาถามมาอะไรต่ออะไรแล้ ว, ลวก็ว่าพระกิบูมาเนี่ยมีกําลังวังชามีกําลังวังชามีอะไ ร, ไรต่ออะไรก็ไม่บ้าไม่ไบไม่ง่อยไม่เปรี้ยเป็นคนปกติก็เลยมารู้มาทราบได้หลังจากนั้นมาก็ดีใจเลยทีนี้ว่าจะกลับไปบอกพ่อสรพีรืว่าจะกลับไปบอกพระเจ้าแผ่นดิน ว่าพระกุมารนนะ่ยไม่เป็นบ้าเป็นไบเหมือนอย่างที่ที่ว่าหรอกอ่าแล้วก็ชวนกลับไปเตมมีไบเขาไม่กลับเลบช่องได้โอกาสแล้วไม่กลับแล้ ว, ลลลลวเรื่องอะไรจะกลับแหละก็เลยกอก บ, บวชเป็นฤๅษีชีพายอยู่ในปา่าทีนี้สารถีก็เลยไปบอกไปบอกพระบิดาประมารดาเพราะไปบอกบิดามารดาก็ดีอกดีใจแหละพากันยกขบวนมาทั้งหมดนั่นแหะมาที่ป่า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 ไปดูที่ในบทอุเบกขาเนี่ยท่านให้พิจารณากรรมสโกมีกรรมดายาโรกรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณะเนี่ยมีกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมดีหรือชั่วไว้จะเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นนี่คืเรียกว่าอุเบกขาเมตตากรุณามุตินามุเบกขาในพรมวิหาร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 พลอยยินดีเก่าแล้วช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้ในส่วนของาพิจรารณาถึงกรรมเนี่ยเมตตากรุณาเมตตาคือความสงสารรักใครกรุณาคือการต้องการให้เขาพ้นจากทุกมุติตาก็คือพลอยยินดีไม่ยิชาริษยาพยาบามอิจฉาเขาดิศยาเขาแล้วก็อุเบกขาก็คือพิจรารณาถึงเรื่องกรรม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 ยิ่งขึ้นไปยิ่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพระพรมนี่แหละตระมาพระพรหพระมวิหารนี่แหละที่อยู่ของพรหมพระมวิหารแปลว่าที่อยู่ของพรหมพรหมอยู่ได้เมตตากรุณาปฏิตะวเบคาอุเบคาไม่ใช่ท่านอยู่เฉยๆท่านวางเฉยนะไม่ใช่ท่านเฉยเมยโดยที่ไม่สนอะไรนะท่านพิจารณาที่ใจโอ้มีกรรม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 ฉะนั้นท่านไปศึกษาที่นุมกันแล้วศึกษาที่นี่กันแล้วศึกษากับดาบบทศึกษาอุทกกับดาบทอลระดาบทกันแล้วก็ไม่เป็นช่องทางที่จะได้มาดูยธรรมตอนหลังมากรับมาพิจารณาหลักของเหตุผลนแหละย้อนไปย้อนมาไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปก็เห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลก็เอาตะปัดทำนั่นแหละแผ่เผาแผ่เผา อวิชาที่มีอยู่ภายในกิตให้เหือดไปแห้งไปแผลเผาได้ที่ก็เหือดไปแห้งไปแล้วก็นับไปแล้วก็หมดไปก็เลยเกิดยานรู้ว่าโปที่จะเรียบอาสวะขยายนร้รว่าอาสวะของโปรสิ้นแล้วหมดแล้วพบชาติของโปรหมดแล้วจบแล้วงานการที่จะต้องทําให้ยิ่งใหญ่ไปมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมไม่มีอีกแล้วคือท่านสอนทรงสอนเรื่องหลักของเหตุและผลเท่านั้นเอง แม้แต่พระอาสิจิพระอาสิจิสอนสั้นๆกับภาษารีบุตรด้วยเช่นเดียวกันภาษารียบุตรได้เป็นพระโสดาบันเพราะฟังธรรมของพระอาสิจินะภาษารียบุตรเนี่ยภาษาเรียบุตรเนี่ยท่านมีเพื่อนคือพระโมคคัลลานะนะภาษาเรียบุตรชื่ออุปติสสะพระโมคคัลลานะคือโกลิตต์พ่อทั้งสองคนเป็นนายบ้านทีนี้ทั้งสองเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาจนวัยรุ่นไปเที่ยวไป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 มีความพลินเพลินไปเป็นวันวไปทีนี้ตอนหลังหมากเลยมาออกบวทออกบวทเป็นอาชีวะภ า, ศ า, ศาษารีบุตรพระโมคคลานะมาออกบวทเป็นอาชีว ะ, ะเป็นอุปการชีว ะ, ะมาออกบวทเป็นอาชีวะนี่แหละออกบทเป็นอาชีวะมีการเรียนมีการท่องจํามีการถามมีการตอบโต้มีอะไรอะไรกัน ตางคนต่งมีบริษัทบริวารคนละรวมกันแล 500, ้วคนละส0 0คนละ 1,250 าต่งคนต่งมีบริษัทบริษั ท, บ ร, ษทบริวารคนละ250รวมเป็น500้แล้วก็แล้วก็พอหลังจากบวชแล้วก็ไปอยู่เป็นลูกน้องของไอ้สัญชัย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 ยืนเห็นความของใส <โ Dank. S 1> เห็นอะไระอะไรเกิด <c oughs> ความเพิ่มใส <c oughs> เดินตามไปตามไปเดินตามไปนะไปเป็นถามธรรมะโอ้เห็นกิริยาผิวพันณท่านผ่องใสใครเป็นครูใครเป็นอาจารย์ของท่านท่านจิตใจคําสอนอาจารย์ของท่านด้วยเหตุใดพระอาซิจิก็เลยบอกสั้นๆว่าเราพระอาซิจิก็เป็นพระอาหารหันตนเลยนะตอนนั้นนะแต่ท่านตอบอย่างถ่อมตน เราเพิ่งเ ข, เข้ามาใ น, ในธรรมะคือเพิ่งเข้ามาในสมณธรรมนี้ใหม่ไม่มีความรู้มากให ม, ม่กว้างขวางนี่ภาษารีบุตรท่านก็นเลิกโดยปัญญาอยู่แล้วเออบอกย่อๆมาก็พอละท่านยิ ง, งยกอยมมเยธรรมะเหตุพพวาเนะีมาบอกจริงได้เกิดแต่เหตุพระาศาสดาตรัสความดับ เ, เหตุเหตุเหล่านั้นและพระถาคตแสดงอย่างนี้ย่อมแสดงอย่างนี้ สิ่งใเกิดจากเหตุสิ่งนั้นดับเพราะเหตุพระธรรมกฏสิ่งใดเกิดจากเหตุพระธรรตกฏตัดเหตุแห่งสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็คือหลักของอริยสัจสี่นั่นแหละพอพระสารีบุตรฟังฟังจบก็ได้เป็นพระโสดาบันรนุษย์ทำเป็นพระโสดาบันคือเข้าถึงหลักของเหตุและผลนี่ไหมเข้าถึงหลักของเหตุและผลเข้าถึงหลักของอริยสัจสี่เข้าถึงหลักของเหตุและผล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 กลับกลับไปที่สํานักสัญชัยก่อนไปบอกพระโมะคคัลลานัทพระโมะคคัลลานั้นไอ้ฟังได้เป็นได้เป็นพระโสดาบันต่อจากภาษาริบุติมาเห็ น, นไหภาษาดิบุติมาไปไปไปเล่าเรื่องธรรมะอันนี้ให้พระโมะคคัลลานัทฟังพระโมะคคัลลานัทได้ตรงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันทั้งสองจากนั้นแล้วก็ออกจากสัญชัยเลยเสัญชยัยมีกัดเสีย อ, อกเสียใจไม่อยากให้ออกมีการตอกโต้กันมีอะไรตัวอะไรกัน ก็มีการถามกันเพราะพวกนี้เขาชอบตั้งประเด็นตั้งคําถามแล้วก็ตอบกันนี่ยทนสัญชยัยชวนชวนสัญชัยไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยชวนไปเฝ้าพร ะ, พร ะ, พระาศาสดาด้วยสัญชัยไม่ไปไม่ไปทีนี้วันจะไปเฝ้าพระสมมโสัมไปกราบพระาศาสดาเหมือนั้นเถอะชวนสัญชัยไปด้วยสัญชัยไม่ไปเลยมีการถามกันมีการตอบโต้กันไม่ไปเราไม่ไปอ่ะ แลก็มีการถามว่าเธอคิดว่าคนในโลกนี้คนโง่มากกว่าหรือคนฉลาดมากกว่าพระสารีบุตรก็บอกวาอ่าในโลกนี้คนโง่มากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับคนโง่เธอไปหาคนฉลาดไป <c oughs> เขามีการตอบกันจากนั้นมาพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็เลยพาบริษัทบริวารทั้ง5้าร้อยเข้าพระพุทธเจ้าบริรษัท บ, บริวารก็ฟังเทศไม่นานก็ได้บรรลุธรรมไปต่าง ๆ, ๆกัน พระโมคขลานะเนี่เท่าไหรนะ่นะสิวันหรืออะไรเนี่ยได้บรรลุธรรมภาษาที่บุตรเนี่ยหนึ่งเดือนหรืออะไรเนี่ยได้บรษย์ธรรมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้คือเราพูดถึงหลักของเหตุของผลนะสืบสาวราเรื่องมาจนถึงหลักของอริยสัจทั้งสี่อันสืบเรื่องมาจากหลักของกรรมที่เราพูดพูดมาตั้งแต่ต้นพวกเราได้ยินได้ความจับตรงไหนได้ก็เอาไปนึกคิดพิจรารณา แล้วก็ย้อนมาดูตัวเราย้อนมาดูกิริยาอาการของกายของวาจารของใจของเรามันเกี่ยวกับกรรมยังไงเราพูดถึงกรรมเนี่ยเราสามารถจําแนกออกสองอย่างหนึ่งกรรมเก่าสอกรรมใหม่กรรมเก่าก็คือเราทําตั้งนานนั้นแหละแล้วก็กรรมก็ให้ผลมาส่งเรามาเกิด อ, อยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้มี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 พากลับเลยได้เลยตอนนี้ตอนนี้เขาปกติแล้วใช่ไหมแต่ว่าก็กลัวว่าจะทักอีกค่ะปกติเคยชกักติดกันมั้ยชักติดกันค่ะโอ้คุณจ้อยากลองทำไหมอ๋อเรื่องนี้ก็ไม่มีใครทราบมาก่อนนะเราก็ไม่รู้นะได้ยินว่าชักรุนแรงเหมือนกันนะคุณอยายก็ว่ากัน เออพาจัดสมอแล้วแล้วแล้วพามาแล้วใช่ไหมเนี่ยพามาแล้วอยู่ในรถค่ะเออพามาแล้วอยู่ในรถเอาแล้วแล้วไม่ต้องเพื่ออะไรเพื่อชักกลางทางค่ะคือเป็นคนขับรเออแล้วเรามาคนเดียวเหรอมาคนเดียวค่ะโอ้พาชีชีไหนชีรวมหรือชีไหนชีรวมค่ะอ่ ใช่เซไปสีนักรินเราก็จะกลับแล้วนี่นี่เราจะจะพาไปสีนักรินเลยเหรอได้ค่ะเราพกลับบ้านก่อนพากลับบ้านก่อนอ่าก็ทอดติดต่อกันตู้เสแล้วกลับห้อตู้เสนั่นเหรออ่ก็ได้เพราะว่าานคุณอยู่ล้ากอก็ได้เระเดี๋ยวถ้าทางมันอ่อนโนอ่าแล้วสองคนนี้จะเอาอยู่วนี้ สอสามคนนี่ยังเอาไม่อยู่เน่ยโอ้ยนี่เรากำลังพาพระลําพึงลําพันถึงเรื่องกรรมเนี่ยกำพูดถึงเรื่องกรรมเ อ, อ, อ้ากลับนะเดี๋ยวมันจะดึกมากไปไปเส้นไหนเนี่เส้นช่องช่งชาิเลยนไปเส้นใหญ่ดีกว่าไปเส้นใหญ่ดีกว่าไปเออที่มันเท่าไหร่แล้วนี่มันจะสี่ทุ่มแล้วเนี่ย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 แต่เราก็คิดอีกทีหนึ่งคิดว่าเขาคงมั่นใจว่าเขาคงไม่เป็นไรก็เหมือนอย่างอีกหลายๆคนที่เคยเจ็บให้ได้ป่วยแล้วเคยมาอยู่กับเราเป็นกายเป็นคราวนยก็ไม่เห็นเป็นไรอันนี้เขาชักด้วยเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักมั่งเนี่ยพอเวลาขึ้นเหนือตาเหลือตาลานกันเนี่ยในหลวงพุทธกรรม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 ก, ก็ให้เราตัดกิเลสกรรมวิบากที่ท่านเรียกว่าวัฏฏวนบอกว่าในใจของเรามีกิเลสท่านก็เลยให้พยายามละกิเลสพยายามตัดกิเลสถ้าเราไม่ตัดกิเลสเนี่ยวัฏฏะสงสารก็มันก็ยังคงกลองอย่างนั้นแหละมันไม่มีเงินต้นไม่มีเงินปลายมันไม่จะไปจบตรงไห น, นไม่มีที่จบยิ่งพัฒนาไปเท่าไหร่ชีวิตจิตใจนี่ก็พัฒนาไปบนกองทุกข์ ทุกวันทุกเวลานาทีเราดูที่เราอยู่บางทีเราก็ว่าเรามีความสุขอย่างไรต้องได้กระทบต้องได้อะไรต่ออะไรเก็บใค่ได้ปวดอะไรยงได้อย่างหนึ่งจนได้แหละเพราะฉะนั้นท่านจันจริงสอนท่านจริงสอนให้เราตัดกิเลสและอะไรคือกิเลสถ้าเรามาจำแน่แจกแจง ก, กามตัณหาภาะวะตัณหาวิภาวะตัณหานะมันเป็นพผลที่เคลือบแฝอยู่ที่จิตดูเข้าไปที่ตัณหาตัณหา ตัณหาอยู่ที่จิตนะกามรตัณหาไข่เกี่ยวเรื่องกามวัตถุสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงนั้นเรียวกว่กกาวัตถุการามกิเลสกลิเลสกามคือกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตน่ะมีความใคร่มีควา ม, ม, วามกำนังในวัตถุอันเป็นวัตถุ ก, การ์มการตัณหาทยานอยากอยากได้ในวัตถุต่างๆเหล่านั้น แล้วก็ดิ้นรนแล้วก็สอยหาแล้วเติมเรื่องก็แล้วราสรพัตซึ่งหาข้อยุติคันได้ยากยุ่งเหยิงวุ่นวายยิ่งกว่าหลงตาทั้งแบบยิ่งกว่านุ่นยิ่งกว่าราภัยราบไมภัยยิ่งยุ่งเหยิงยิ่งกว่าร่างแผลนั่นไม่รู้เงินต้นเงินปลายทำไมไม่ใช่วิสัยไม่ใช่คําสอนของพระศาสดาเอามาแก้ไม่ได้ยิ่งแก้ก็ยิ่งพันยิ่งแก้ก็ยิ่งมัด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 พลังของใจที่แสดงออกมาเกี่ยวเรื่องกับเกี่ยวกับเรื่องกามเกี่ยวกับเรื่องความอยากมีอยากเป็นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการไม่ยอมรับสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่จริงตามภาวะของมันอันเป็นหลักของสัตว์จะทำท่านที่ให้มาศึกษาทีกสิต่างๆเหล่านี้เบื้องแรกให้ทําจิตให้ได้รับความสงบเพื่อระบนับไม่ให้ตัณหาเนี่มันสร้างออกให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวคือให้เราทําจิตให้ได้รับความสงบ จะนะคพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปเพราะว่าตันหามันพายึดนู่นมันพายึดนี้ยึดนู่นยึดนี้เกาะน้นเกาะนี้สําคัญให้ความสําคัญสิ่งนู่สิ่งนี้ไปกัดสิ่งนป็นเกณฑ์สิ่งนี้เป็นเรื่องของตันหะทั้งหมดซาไปซาไปซาไปพิจารณาไปย้อนไปด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยความมุคมานะด้วยความอุตส่าห์พยาด้วยความสังสมอบรมด้วยความสร้างเสริมบารมี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 ในที่สุดความิดก็สอาดจิตก็บริสุทธิ์จิตไม่มีปฏิกิริยาไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีราคะไม่มีตัณหาเพราะทราบทุกสิ่งทุกอย่างตามภาวะมีจริงเป็นจริงนี้อยู่จริงเป็นหลุดจริงตามภาวะของมันแต่ละอยา่างแต่ละอย่างเป็นได้โดยอัตโนมัติอันนี้เป็นข้อปฏิบัติสิ่งที่พาเราต้องเที่ยวไปวัฏสงสารไม่จบไม่สิ้นคือต้องตัดกิเลส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 จะไปห ม, หมายมั่นกับเรื่องนั้นหมายมั่นกับเรื่องนี้มันก็ไม่ไปมันก็ไม่ไ ม, ไม่หมายมั่นไม่มีที่ไม่มีที่จิตจะไปเกาะไปเกี่ยวไปคล้องไอ้ที่จิตไปเกี่ยวไปเกาะไปข้อ ง, ออองนั้นคือจิตเกิดพบมีพบแล้วก็เราจะต้องได้ไปเกิดที่เรียกว่าชาติไปเกิดในพบเ ม, มื่อเกิดแล้วก็ต้องเป็นเป็นนู้นเป็นนี้ไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรแล้วแต่มันจะเป็นตามอํานาจของกรรม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 เราจะประพฤติบัติปฏิบัติแล้วก็ก้าวไปก้าวไปตามไปให้ให้ถึง ท, ที่สุดนะพอสมควรแล้วอันนี้ก็มาเป้าพ่อเหมนนั่นะพ่อก็ป่วยตั ว, อตวนองก็ทํางานก็ดูสิทุกตัวเองก็ทุกคนอื่นก็ทุกคนอื่นทุกตัวเองก็ทุกเพราะเกีกเ่ยวกันเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นพี่เป็นน้องเป็นหมู่เป็นเพื่อนก็ดูอีกหนึ่งทุกเท่าไหร่เยทุกกองเดียวเกิดขึ้นเกิดทุกทำตามอีกเท่าไหร่เราหน่วยมากเรให้เห็นหน่วยเก็บให้เหหลาเพรามันเพื่อจิตมันจะไปมันเพลินไปเพลินไปเป็นวันวันเป็นอย่างยางเป็นเรื่องเรื่อง มันจะทุกไปเป็นอย่างๆเป็นวันๆเป็นเครื่องๆเมื่อคิดมากๆมันมันอยู่เปเรื่องเปตัวทําให้เราเป็นตัวของตัวนี้ตสระในการที่นิพิจารทุกยืนทุกเดินทุกนั่งทุกน้อยทุกกิริย า, าการทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบข้างตัวเรา